ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเรื่องบางเรื่องคำตอบมันก็อยู่ในสายลมจริงๆนะคะแต่ว่าสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่ไม่ได้อยู่ในสายลมค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็มีหน้าที่หาเรื่องดีๆสนุกๆมาเล่าให้คุณได้ฟัง วันนี้ Animal f a r รมมาถึงตอนที่3แล้วนะคะงานเขียนของจอร์จออร์เวลนักเขียนชาวอังกฤษค่ะนักเขียนชาวอังกฤษซึ่งเสียชีวิตในวัยเพียงแค่46ปีและนี่เป็นหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของเขาที่กลายมาเป็นวรรณกรรมอมะตะที่ไม่เคยเชยแล้วก็ไม่เคยล้าสมัยกับเรื่องราวของสังคมที่ บรรดาสัตว์ทั้งหลายต้องการอิสรภาพและก็ต้องการจะปลดแอกตัวเองจากอำนาจเผด็จการนะคะแต่เมื่อปลดแอกตัวเองจากอำนาจเผด็จการจากการปกครองของมนุษย์ที่บรรดาสัตว์รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วสัตว์เหล่านี้จะไปเจออะไรอีกนั่นก็เป็นโจทย์ข้อต่อไปละคะ่ะวันนี้ตอนที่3นะคะเริ่มจะสนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกที จากความเดิมตอนที่แล้วบรรด า, าสัตว์สามารถขับไล่นายโจนส์และคนงานออกไปจากฟาร์มได้สำเร็จโดยที่ไม่ได้ตระเตรียมแผนการอะไรกันมาก่อนเลยเกิดขึ้นจากกระบวนการตามธรรมชาติที่ไม่มีการให้อาหารสัตว์และก็สัตว์หิวโหวยบ้าคลัง่งหิวโหวยบ้าคลัง่งโกรธแขนนายโจนส์ภรรยาแล้วก็บรรดาคนงานที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายนะคะก็ถูกขับไล่ออกไป เมื่อได้อำนาจมาแล้วค่ะก็มีการคิดบัญญัติเจ็ดประการเพื่อให้บรรดาสัตว์มีความคิดเห็นตรงกันคือมีอุดมการเหมือนกันแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อฟาร์มจากแมนเนอร์ฟาร์มเป็น Animal Farm มมีการร่วมแรงร่วมใจทำงานกันอย่างแข็งขันแล้วก็มีการเริ่มเรียนหนังสือด้วย ซึ่งสัตว์บางตัวก็สามารถจะอ่านหนังสือได้สัตว์บางตัวก็อ่านได้ไม่กี่ตัวอักษรในขณะที่สัตว์บางตัวก็ดูเหมือนว่าจะอ่านเอาเรียกว่าอ่านไม่ได้เอาซะเลยก็จะมีหลายแบบแต่ว่าสําหรับแนวคิดโดยรวมบรรดาสัตว์ทั้งหลายพากันเชื่อว่าสี่ขาดีสองขาเลวก็คือถ้ามีสองขาเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์อันนี้ยเลวนิสัยไม่ดีกดขี่คมเหง แต่ถ้าเกิดสี่ขาอันนี้หมายถึงสัตว์โดยทั่วไปอันนี้ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับสังคมของ Animal Farm ซึ่งตอนนี้มีหมูเป็นแกนนำ n โปเ l ียนแล้วก็ Snowball n โ, โ, โปเ l ียนซึ่งเป็นคนที่พูดน้อยลุ่มลึกในขณะที่ Snowball เนี่ยเป็นหมูที่คึกคักร่าเริงนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับเรื่องบุ้นๆใน Animal Far ร์มค่ะ นโปเลียน <N ap ol ian> มีความเห็นว่าการศึกษาอบรมสัตว์รุ่นยาวมีความสำคัญกว่าการทำสิ่งใดกับพวกที่โตแล้วบางเอิญหมาสองตัวคือเจสซี่และก็บรูเบลต่างก็คลอดลูกหลังการเกี่ยวยา่าลูกหมาสองครอกนะคะมีจำนวนเก้าตัวทั้งหมดแข็งแรงดีทันทีที่ลูกสุนัขหรือว่าลูกหมาหย่านมนโปเลียนก็จับแยกไปจากแม่ คือจับแม่ลูกแยกกันแล้วก็บอกกับแม่บอกว่าไม่เป็นไรจะรับผิดชอบเรื่องการศึกษาอบรมลูกสูนักเองหลังจากนั้นก็พาลูกสูนักไปไว้บนห้องใต้หลังคาซึ่งจะขึ้นไปได้ทางบันไดลิงจากห้องเก็บเครื่องเทียมสัตว์เท่านั้นนโปเลียนแยกลูกสูนักเอาไว้รับตาจนกระทั่งสัตว์อื่นๆในไร่หลงลืมไปในไม่ช้าว่ามีลูกสุนัขเกิดใหม่ความลึกลับเรื่องน้ำนมมัวหายไป กระจางขึ้นมาไหนไม่ช้าน้ำนมใช้ผสมอาหารสู่กรทุกวันอ p ปเปิลที่ออกผลเมื่อต้นฤดูเริ่มสุกแล้วสวนผลไม้จึงมีผลแอปเปิลร่วงกระจัดกระจายบนพื้นดินที่มีหญ้าปกคลุมบรรดาสัตว์ทั้งหลายเข้าใจกันเป็นธรรมดาว่าบรรดาแอปเปิลเหล่านี้ต้องนำมาแบ่งกันอย่างเท่าเทียมแต่อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งก็มีคำสั่งว่าผลไม้ทั้งหมดที่ร่วงจากต้นจะต้องเก็บรวบรวมแล้วก็ขนมาไว้ที่ห้องเก็บเครื่องเทียมสัตว์เพื่อให้พวกสุกรหรือว่าหมูได้ใช้บรรดาสัตว์ต่างๆก็พากันบ่นพึมพำแต่ก็ไม่มีประโยชน์หมูทุกตัวเห็นพ้องเต็มที่ในเรื่องนี้รวมถึงสโนโบอลแล้วก็นโป ล, ลียน ส่วนสกิลเลอร์นะคะเป็นหมูช่างพูดเป็นนักพูดถูกส่งมาให้คําอธิบายตามที่จำเป็นแก่บรรดาสัตว์อื่นส s q u เลอร์ประกาศบอกว่าสหายฉันหวังว่าพวกท่านคงไม่คิดว่าหมูอย่างเราจะทำเช่นนี้เพราะความเห็นแก่ตัวและเห็นแก่อภิสิทธิ์จริงๆแล้วพวกเราหลายตัวไม่ได้ชอบน้านมแล้วก็แอปเปิลเลย ตัวฉันเองก็ไม่ได้ชอบแต่การที่เรากินของพวกนี้ก็เพื่อรักษาสุขภาพน้านมและแอปเปิลซึ่งวิทย า, าศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความจำเป็นที่สุดต่อสุขภาพของหมูอย่างพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สมองการบริหารจัดการและจัดการองค์กรของฟาร์มนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราเราต้องคอยดูแลสวัสดิภาพของพวกท่านทั้งวันทั้งคืนไอ้ที่เราดื่มน้นมแล้วก็กินแอปเปิลเนี่ย ก็เพื่อพวกท่านนะท่านรู้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากหมูอย่างเราทำหน้าที่ล้มเหลวในโจนก็จะกลับมานะสิใช่แล้วในโจนจะกลับมาแน่เลยทีเดียวสกิลลอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังนะคะแล้วก็ยืนโยกเยกถ่ายน้ำหนักตัวจากทางขวาไปทางซ้าย สลับกันไปมาพลางแกว่งหางในขณะที่พูดแน่แท้ทีเดียวเชียวคงไม่มีใครอยากจะเห็นในโจรสกลับมาอีกใช่ไหมล่ะถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่สัตว์สัแน่ใจก็คือไม่ต้องการให้ในโจรสกลับมาอีกเมื่ออ้างเหตุผลขึ้นมาเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีอะไรจะพูดเห็นได้ชัดแจ้งแล้วว่าการถนอมสุขภาพของหมูเป็นเรื่องสาคัญ ดังนั้นจึงตกลงกันโดยไม่ต้องโต้แย้งอีกต่อไปว่าน้ำนมบัวและแอปเปิลควรจะเก็บเอาไว้สำหรับหมูเท่านั้นเมื่อถึงปลายฤดูร้อนข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Animal Farm ก็แพร่กระจายไปครึ่งมนฑน ทุกๆวันสโนบอลและนาโปเลียนจะส่งนกพิราบออกไปฝูงหนึ่งโดยสั่งให้ไปสังสรรค์กับสัตว์ต่างๆในไร่และแวกใกล้เคียงไปเล่าเรื่องการก่อกระบฏให้สัตว์เหล่านั้นฟังแล้วก็สอนให้สัตว์เหล่านั้นร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษก็คือเหมือนกับเป็นเพลงปลุกใจเป็นเพลงมาร์ชในเวลาเดียวกันนั้นในโจนสอดีตเจ้าของฟาร์มก็หมกตัวอยู่ในห้องขายเบีย ของร้านเหล้าเร d l ลออนที่เมืองวิลิงดอนแล้วก็โอดครวญกับผู้คนถึงความอายุติธรรมอันร้ายกาจที่เขาถูกสัตว์เลวๆไร้ประโยชน์ฝูงหนึ่งขับไล่ออกมาจากที่ดินของตัวเองบรรดาชาวไร่ชาวนาก็พากันเห็นอกเห็นใจในโจรตามหลักการตอนแรกก็ไม่ได้ช่วยเหลือเขาสักเท่าไหร่เกษตรกรแต่ละคน ต่างก็แอ บ, บนึกสงสัยว่าตนจะไม่สามารถหาประโยชน์สักอย่างจากเคราะห์กรรมของนายโจรได้บ้างหรืออย่างไรโชคดีที่เจ้าของฟาร์มสองแห่งซึ่งอยู่ติดกับ Animal f ฟ r ร์ไม่ถูกกันเลยฟาร์มแห่งหนึ่งชื่อว่า Foxwood เป็นฟาร์มแบบโบราณมีขนาดใหญ่แล้วก็ขาดการดูแลมีที่รกร้างกลายเป็นป่าละเมาะไปเสียมากทุงยาเลี้ยงสัตว์ก็ถูกปล่อยซุดโซม ไม้พุ่มที่ปลูกเป็นรั้วก็ดูไม่ได้เจ้าของฟาร์มชื่อนายพิลคิงตันเป็นสุภาพบุรุษเกษตรกรผู้รักความสบายนายพิลคิงตันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตกปลาแล้วก็ล่าสัตว์ไม่ค่อยทำมาหากินประมาณนั้นในขณะที่ไร่อีกแห่งหนึ่งชื่อว่าพิ n ส์ฟิลด์ไร่แห่งนี้เล็กกว่าแล้วก็ได้รับการดูแลดีกว่า เจ้าของชื่อนายเฟเดริกเป็นคนแกร่งทันคนเฟเดริกมักจะมีเรื่องกับพวกคดีฟ้องร้องอยู่ไม่หยุดหย่อนแล้วก็เป็นนักต่อรองตัวชะกาศสองคนนี้คือเพน f ์ฟิลกับพินคิงตันไม่ถูกกันจนกระทั่งไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้เลยแม้แต่เรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของพวกตนเอง แต่ถึงกระนั้นเจ้าของฟาร์มทั้งสองก็หวาดภาวาเรื่องการก่อกระบทที่เกิดขึ้นใน Animal f a r รมแล้วก็พยายามจะป้องกันไม่ให้สัตว์ของตนรู้เรื่องการกรบฏนี้ไม่ได้เดี๋ยวสัตว์เอาอย่างเดี๋ยวเกิดการกระด้างกระเดืองตอนแรกทั้งสองคนก็หัวเราะเยาะหยันกับความคิดที่ว่าสัตว์สามารถบริหารจัดการไร่นากันเอง แล้วก็ปรามาดว่าไม่มีทางรอดเกิน1ปักไปได้หรอก1ปักก็15วันใช่ไหมคะคนทั้งสองก็ยังปล่อยข่าวลือว่าสัตว์ในแมนเนอร์ฟาร์มคือ2คนนี้ยังยืนยันที่จะเรียกวแมนเนอร์ฟาร์มตามชื่อเดิมไม่ยอมเรียก Animal f ฟา m ์ตามชื่อที่พวกสัตว์เปลี่ยนคือยืนยันว่าสัตว์ในฟาร์มเนี่ยยังคงทะเลาะกันเองตลอดเวลาแล้วก็กาลังจะอดตายอย่างรวดเร็ว หากเมื่อเวลาผ่านไปพวกสัตว์ไม่อดตายนายเฟดริกและก็พิงทิงตันก็เปลี่ยนเรื่องหันมาพูดถึงเรื่องความชั่วร้ายที่กบเริบเสิบสารใน Animal f ฟ r ร์มแล้วก็ปล่อยข่าวลือว่าพวกสัตว์ในไร่นั้นกินกันเองทรมานกันเองด้วยเกือกม้าลนไฟร้อนแดงแล้วก็มีการสมสู่ร่วมเมียเดียวกัน ทั้งสองบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะมีการขัดขืนฟื้นกฎธรรมชาติอย่างไรก็ดีผู้คนก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องทั้งหมดเต็มที่ข่าวลือเรื่องความแสนวิเศษที่มนุษย์ถูกขับไล่และพวกสัตว์บริหารจัดการกันเองอย่างแพร่ไปในรูปแบบที่บิดเบือนและก็คลุมเครือตลอดทั้งปีนั้น คลื่นแห่งความเป็นกระบทก็แผ่กระจายไปในชนบทโดยทั่วบัวที่เคยเชื่องก็กลับกลายมาเป็นสัตว์ที่ดุร้ายพวกแกะทำไม้พุ่มที่เป็นรั้วเสียหายแล้วก็กัดกินต้นโคโเวอร์แม่บัวเตะทีบถังนมล้มคว่ำลงม้าลาสุนักจิงจอกก็ไม่ยอมกระโจนข้ามรัว้ว ทำให้ผู้ขี่ถึงกับกระเด็นปลิวข้ามฟ้ากรัวและยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือบรรดาสัตว์ทั้งหลายรู้จักทานองแม้แต่เนื้อร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษเพลงนี้แพร่อ อ, อกไปด้วยความรวดเปร็วอย่างน่าทึ่งบรรดามนุษย์ก็พากันโมโหโทโซเป็นฟืนเป็นไฟ ท, ท, ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยแกล้งทาเป็นขบขัน กับการที่บรรดาสัตว์กำเริบเสิบสารมนุษย์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ว่าททำไมแม้แต่สัตว์ยัยงสามารถทนร้องเพลงที่เลวไหลและก็น่าทุเรศเช่นนี้และเมื่อคนพบว่าสัตว์ตัวใดร้องเพลงก็จะจับมันเคียนทันทีแต่ก็ยังไม่อาจห้ามได้การร้องเพลงนี้เริ่มแพร่กระจายไปทั่ว การร้องเพลงนี้ในพุ่มไม้นกพิราบร้องบนต้นเอ็มบทเพลงแทรกเข้าไปในเสียงอุปทึกของร้านช่างเหล็กและแทรกไปในเสียงทํานองเพลงของระฆังโบสถ์เมื่อมนุษย์ได้ยินเพลงนี้ก็รู้สึกเหมือนได้ยินคําพยากรณ์เคราะห์กรรมของตนทําให้รู้สึกสะทกสะท้านแต่ก็เก็บงําความรู้สึกเอาไว้ในใจ ต้นเดือนตุลาคมเมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีเรียบร้อยมีการนำมากองเก็บแล้วก็นำบางส่วนไปฝัดนกพิราบฝูงหนึ่งก็บินวนแล้วก็ลงเกาะที่ลาน Animal f ฟ r ร์มด้วยความตื่นเต้นนายโจนส์และคนงานรวมทั้งคนอื่นๆ อ, อีก6กคนจากไรฟ o x w o o d แล้วก็ Pinchfield ได้ผ่านประตูรั้วไม้เข้ามาแล้วทุกคนถือกา้านไมเรียวมาด้วย ยกเว้นในโจนส์ซึ่งเป็นคนเดินนำในมือถือปืนกระบอกหนึ่งนะคะเราก็เห็นได้ชัดว่าคนพวกเนี้ยกำลังพยายามที่จะมายึดฟาร์มคืนถามว่าบรรดาสัตว์เหล่านี้มีการคาดการเอาไว้ก่อนไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนค่ะ เหตุการณ์นี้ได้คาดกันไว้นานแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งดังนั้นจึงมีการสั่งเตรียมรับมือเอาไว้สโนบอลเป็นผู้สั่งการปฏิบัติปกป้องฟาร์มมันได้ศึกษาจากหนังสือเก่าแก่ที่มันพบในบ้านของนายโจนส์เป็นหนังสือเรื่องการบรนรงของจูเลียสซีซาและมันก็ออกคาสั่งอย่างรวด เ, เร็วในเวลาไม่กี่นาทีสัตว์ทุกตัวก็เข้าประจําที ในขณะที่มนุษย์เริ่มเข้าใกล้หมู่อาคารของฟาร์มสโนว์บอก็เริ่มบุกโจมตีเป็นครั้งแรกมีนกพิราบประมาณ3 5ตัวบินวนไปวนมาเหนือศีรษะของมนุษย์แล้วก็ตัดกำลังมนุษย์จากทางอากาศในระหว่างที่มนุษย์กำลังรับมือกับการโจมตีทางอากาศนี้ห่าน ซึ่งแอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ก็กรูกันออกมาจิกน้องมนุษย์อย่างดุร้ายนี่เป็นเพียงกลยุทธ์ยู่โจมแบบเบบเบอเท่านั้นนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะก่อกวนให้เกิดความสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ก็สามารถไล่ห่านออกไปได้อย่างง่ายดายด้วยไม้ที่ถือมา จากนั้นสโนบอลก็สั่งให้แนวรบที่สองออกมาโจมตีม u เรียนเบนจามินและก็แพะนี่คือแนวรบที่สองค่ะมีสโนบอลนำหน้ากรูเข้ามงชนแล้วก็ขวิดมนุษย์จากทุกทิศทางในขณะที่เบนจามินหันหลังเตะทีบมนุษย์ด้วยกีบตีนเล็กๆของมันแต่ก็นั่นหละ มนุษย์มีไม้แล้วก็รองเท้าหุ้มข้อพื้นติดหมุดที่แข็งแรงทำให้สัตว์ไม่อาจจะต้านทานได้ทันใดเมื่อสโนโบอลกรีเสียงร้องเป็นสัญญาณให้ล่าถอยสัตว์ก็พากันหันหลังแล้วก็วิ่งผ่านช่องประตูรั้วเข้าไปสู่ลานมนุษย์ก็โห่ร้องเพราะเข้าใจว่าศัตรูกำลังถอยหนีก็พากันออกวิ่งไล่ล่าอย่างไร้ระเบียบ แต่นี่เป็นสิ่งที่สโนบอลได้คาดการเอาไว้ค่ะพอคนเข้ามาในลานเรียบร้อยม้าสามตัวแม่บัวสามตัวและหมูตัวอื่นๆที่เหลือซึ่งซุ่มอยู่ในคอก บ, บัวเพื่อรอโจมตีก็โผล่ออกมาจากทางด้านหลังในทันทีทันใดพวกมันแยกกลุ่มคนออกจากกาันสโนบอลส่งสัญญาณให้บุกโจมตีตัวสโนบอลเองก็รีบเข้าใส่ในโจ์ นายโจนส์เห็นเช่นนั้นก็ยกปืนขึ้นประทับแล้วก็เล็งเตรียมจะยิงและเมื่อยิงกระสุนลูกปลายก็ถากหลังสโนโบอลเป็นริ้วโชคเลือดแล้วก็ไปโดนแกะตัวหนึ่งล้มลงตายส่วนสโนโบอลไม่ชะงักแม้แต่น้อยพุ่งตัวที่หนักเกือบร้อยกิโลเข้าใส่ขาของนายโจนส์จนกระทั่งนายโจนเนี่ยล้มจำเบ้า ลงในกองมูลสัตว์ปืนกระเด็นหลุดจากมือไปแต่ภาพที่น่าพันถึงที่สุดก็คือบ็อกเซอร์ซึ่งกำลังยืนบนตีนหลังแล้วก็ยกกีบตีนหน้าขนาดใหญ่สวมเกือกเหล็กขึ้นตะกุยโขกราวกับเป็นม้าหนุ่มแรงโขกครั้งแรกของบ็อกเซอร์ไปโดนกระโหลกศีรษะของเด็กเลี้ยงม้าหนุ่มจากไรฟ็อกบูทเด็กหนุ่มคนนั้น ถึงกับลงไปนอนแน่นิ่งเหยียดยาวแล้วก็เสียชีวิตกลางดินโครนเมื่อเห็นดังนั้นหลายคนก็ไม่เอาแล้วทิ้งไม้ทิ้งอาวุธแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีเอาตัวรอดบรรดาสัตว์ก็วิ่งตามวิ่งตามแล้วก็ไล่ต้อนคนเหล่านี้ไปรอบลานคนโดนขิดโดนเตะโดนกัดโดนกระทืบไม่มีสัตว์ตัวใดในไร่ ที่ไม่แก้แค้นตามวิธีของมันแม้แต่แมวก็ยังกระโจนจากหลังคาแล้วก็กระโจนลงมาบนไหล่ของคนเลี้ยงวัวคนหนึ่งแล้วก็ตะปบต้นคอจนกระทั่งชายคนนั้นเนี่ยถึงกับร้องเสียงลงถูกสัตว์โจมตีจากทุกทิศทุกทางบรรดามนุษย์ก็รีบโวยอ้าวออกจากลานแล้วก็เพ่นแนบไปยังถนนใหญ่ภายในเวลาหนาที หลังจากที่มนุษย์ยกพวกมาบุก Animal f a r รมนุษย์กลับต้องเป็นฝ่ายล่าถอยสิ้นถ้าไม่เป็นขบวนกลับไปตามทางเดิมโดยมีห่านฟูงใหญ่ไล่ขู่และก็ไล่จิกน่องตามหลังไปตลอดทางเรียกว่าหนีเตลิดเปิดเปิงกันไปหมดเลยยกเว้นคนเดียวย้อนกลับมาที่ลานบ็อกเซอร์กำลังเอากีบ เคียเด็กเลี้ยงม้าที่นอนหน้าคว่ำมจมโครนมันพยายามที่จะพลิกร่างเด็กหนุ่มแต่ร่างนั้นก็แน่นิ่งไม่ไหวติ่งเขาตายเสียแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจเลยฉันลืมไปว่าฉันสวมเกือกเหล็กอยู่ใครจะเชื่อว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้สโนบอลก็บอกว่าจงระงับอารมณ์อ่อนไหวเอาไว้เธอสหาย สงครามก็คือสงครามคนดีก็มีแต่คนที่ตายแล้วเท่านั้นแต่ฉันไม่อยากเอาชีวิตใครแม้แต่ชีวิตมนุษย์นี่นะบ็อกเซอร์พูดน้ำตากรบดวงตาเฮ้ hey! มอลลี่อยู่ไหนกันมีสัตว์บางตัวถามขึ้นมามอลลี่ก็คือนางม้าสาวปรากฏว่ามอลลี่หายตัวไปบรรดาสัตว์ก็ตกใจเกรงว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะทําร้ายมอลลี่ หรือว่าอาจจะจับตัวเธอไปเสียแล้วแต่ในที่สุดก็พบว่ามอนลี่ซ่อนตัวอยู่ในคอกเอาหัวซุกหญ้าแห้งในรางหญ้ามอนลี่เพ่นนี้ตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนดังเมื่อสัตว์ตัวอื่นๆกลับมาที่ลานหลังจากตามหามอนลี่พบแล้วก็ปรากฏว่าเด็กเลี้ยงมา้าซึ่งที่จริงแค่สลบสไลดได้ฟื้นขึ้นและก็เพ่นหนีไปไม่ตาย บัดนี้สัตว์จึงมาชุมนุมกันอีกครั้งด้วยความลิงโลดใจลิงโลดในชัยชนะที่ได้รับต่างพากันเล่าถึงวีรกรรมการต่อสู้ของตนเองมีการฉลองชัยชนะโดยไม่ได้นัดหมายมีการชักธงขึ้นเสาแล้วก็มีการร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษอีกครั้งมีการฝังศพแกะที่ถูกกระสุนปืนยิงตาย ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่เคร่งครึมมีการปลูกต้นไม้ที่ชื่อว่าฮอชอนเอาไว้ที่หลุมศพสโนโบอลเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์สั้นๆข้างหลุมศพมันเน้นว่าสัตว์ทุกตัวจะต้องพร้อมพรีชีพเพื่ออ n นิ a มอลฟาร์มเมื่อถึงคราวจำเป็นสัตว์ตัดสินใจเป็นเสียงเดียวกันว่าให้มีการมอบเรียงกล้าหาร ซึ่งมอบให้แก่สโนบอลและบ็อกเซอร์ในที่นั้นเป็นเหรียญทองเหลืองจริงๆแล้วเป็นแผ่นทองเหลืองเก่าๆที่พบในห้องเก็บเครื่องเทียมสัตว์แล้ว ก, ก็เหรียญดังกล่าวก็ใช้ประดับกายในวันอาทิตย์และวันหยุดเทศกาลนอกจากนั้นยังมีเหรียญใช้คำว่าวีรสัตดิ์ครั้งที่2งชั้น2มอบให้แก่แกะที่ตายไป แล้วก็มีการลงมติว่าการต่อสู้ครั้งนี้ตกลงเรียกว่าศึกค อ, อกบัวเพราะว่ามีการคอยซุ่มโจมตีค่าศึกอยู่ที่นั่นมีการพบปืนของนายโจนสตกอยู่ในโครนแล้วก็รู้กันว่ามีกระสุนอยู่ในเรือนบ้านไร้ สตกลงกันว่าจะนำปืนไปไว้ที่เชิงเสาเหมือนเป็นปืนประดับเสาธงและก็จะยิงปืนนี้ปีละสองครั้งครั้งหนึ่งในวันที่สิบสองเดือนตุลาคมอันเป็นวันครบรอบศึกอคอกวัวและยิงปืนอีกครั้งในวันกลางฤดูร้อนอันเป็นวันครบรอบการก่อกบฏมีวันสำคัญเป็นของตัวเองด้วยนะคะมีสองวันละเอาละค่ะพักสักครู่ เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามมอลลี่เจ้าปัญหานางม้าสาวที่มีขนสีขาวสวยที่ไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆรบกับมนุษย์เลยเริ่มที่จะมีปัญหาบางอย่างมีปัญหาอะไรติดตามได้ช่วงหน้า Animal f a r ร์มค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเอาละทีนี้ก็มาถึงช่วงที่สองนะคะ หลังจากที่มนุษย์พยายามที่จะยึดอำนาจกลับคืนมาแต่เขาไม่สาเร็จเพราะว่าสัตว์มีการเตรียมการอย่างดีจะทำอย่างไรมนุษย์จะทำอย่างไรแล้วก็ในสังคมของพวกสัตว์เองแน่นอนมันก็คงไม่ได้ราบรื่นไปร้อยเปอร์เซน์และตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาภายในก็คือปัญหาจาก มอรลี่ม้าสาวแสนสวยมอรลี่มีปัญหาอะไรติดตามได้เลยนะคะจาก Animal Farm ตอนที่สามช่วงที่สองค่ะ ใกล้มาถึงมอลลี่ก็เริ่มมีปัญหามันมาทำงานสายทุกเช้าอ้างบอกว่าตื่นสายแล้วก็บ่นว่าเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่แม้ว่าจะดูเจริญอาหารเป็นปกติดีมอลลี่หาข้ออ้างสารพัดเพื่อที่จะไม่ทำงานแล้วก็ไปที่อ่างน้ำดื่ม ยืนชื่นชมเงาสะท้อนของตัวเองบนผิวน้ำและก็มีข่าวลือที่ร้ายแรงกว่านั้นวันหนึ่งขณะที่มอลลี่เหยาะย่างเริงร่าเข้ามาในลานพรางแกว่งหางสะบัดสะบิง้งปากเคี้ยวหญ้าแห้งหนึ่งก้านม้าที่ชื่อว่าโคเวอร์ก็รุนร่างของมอลลี่ให้หลบมาคุยกันตามลำพัง มอลลี่ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับเธอเมื่อเช้านี้ฉันเห็นเธอมองข้ามรั้วพุ่มไม้ที่กั้นระหว่าง Animal f ฟ r ร์มกับฟาร์มฟ x w o o d แล้วก็มีคนงานคนหนึ่งของนายพิวคิงตันยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของรัว้วถึงฉันจะอยู่ห่างออกไปก็จริงแต่ฉันก็แน่ใจว่าฉันเห็นเธอกำลังยืนคุยกับเขา แล้วเธอก็ยอมให้เขาเอามือมันลูบจมูกของเธอด้วยนี่มันยังไงกันแน่มอนลี่เขาไม่ได้ทำนะและฉันก็ไม่ได้ทำไม่จริงมอนลี่ร้องแล้วก็เริ่มวิ่งเหยาะๆะแล้วก็ใช้ตีนตะกุยดินมอนลี่มองหน้าฉันสิเธอรับปากฉันด้วยเกียรติของเธอได้ไหมละ่ะว่าชายคนนั้น ไดี๋ยวเอามือลูบจมูกของเธอไม่จริงนะไม่จริงมอนลี่ร้องซ้ำแต่ก็ไม่มองหน้าโคเวอร์แล้วก็วิ่งออกไปยังท้องทุ่งโคเวอร์นึกเอะใจอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งมันเดินตรงไปยังข้อของมอนลี่เอาตีนเขี่ยฟางออกปรากฏว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ฟางนั้นมีน้ําตาลก้อนอยู่หนึ่งกองเล็กๆ แล้วก็มีริบบิ้นหลากสีหลายมวนสามวันต่อมามา ล, ลี่ก็หายตัวไปแล้วก็หลายสัปดาห์ต่อมาก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนบรรดานกพีราบมารายงานว่า เห็นมอลลี่ที่อีกฟากหนึ่งของเมืองมอลลี่ยืนเทียมเกวียนเล่มเล็กๆที่งามหรูสีแดงดำอยู่หน้าร้านเหล้าแล้วก็มีชายร่างอ้วนท้วนหน้าแดงกำมคนนึงกำลังลูบจมูกมอลลี่แล้วก็ป้อนน้ำตาลให้มันกินท่าทางเหมือนกับเป็นเจ้าของร้านเหล้าสวมกางเกงลายมักรุกขาสามส่วนรัดเข่าแล้วก็ถุงน่อง ขนของมอลลี่เพิ่งจะตัดมาใหม่ขนบนหน้าผากผูกริบบิ้นสีแดงสดดูท่าทางมอลลี่พออกพอใจนกพิราบว่าอย่างนั้นนะคะและหลังจากนั้นก็ไม่มีสัตว์ตัวใดใน Animal f ฟา m ์มเอ่ยถึงมอลลี่อีกเลย ในเดือนมกราคมซึ่งอากาศหนาวเหน็บเข้ากระดูกแผ่นดินก็แข็งยังกระเหล็กไม่อาจทำไร้ไถนาได้มีการประชุมหลายครั้งในโรงนาบรรดาพวกหมูง่วนกับการวางแผนงานสำหรับฤดูการน้าแล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับกันว่าหมูซึ่งตอนนี้ทุกตัวก็ประจักษ์ว่า มันฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆคือทุกๆตัวเนี่ยต่างยอมรับกันว่าควรจะให้หมูเป็นผู้ตัดสินเรื่องนโยบายของฟาร์มแม้ว่าคําตัดสินของหมูจะต้องผ่านการรับรองจากเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมการจัดการในลักษณะนี้คงจะดําเนินได้ด้วยดีหากไม่มีปัญหาเรื่องการโต้แย้งระหว่างสโนโบอล และนโปเลียนก็ พ, พูดง่ายๆว่ามันขัดแย้งกันเองนะคะหมูสองตัวนี้มีความเห็นขัดกันแทบทุกเรื่องหากตัวหนึ่งเห็นว่าควรจะเพิ่มพื้นที่เพื่อหวานข้าวบาเล่ให้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งก็จะต้องเรียกร้อง ให้ปลูกข้าวโอ๊ตมากขึ้นหากตัวหนึ่งบอกว่าพื้นที่บริเวณหนึ่งเหมาะจะปลูกกะหล่ำปรีอีกตัวหนึ่งก็จะประกาศว่าพื้นที่นั้นไม่เหมาะที่จะปลูกอะไรเลยนอกจากพืชหัวเท่านั้นทั้งสองตัวต่างก็มีพักพวกที่สนับสนุนและก็โต้แย้งกันรุนแรงหลายครั้งแต่ว่าในที่ประชุมคนที่เป็นผู้ชนะมักจะเป็นสโนโบอล เพราะว่าสโนมอลพูดเก่งกล่าวสุนทรพจน์ได้เฉียบคมแต่ว่าขณะเดียวกันนโปเลียนก็สามารถประดมผู้สนับสนุนได้เก่งกว่าในช่วงเวลานอกรอบนบโปเลียนประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะกับพวกแกะในช่วงหลังแกะมักจะร้องว่าสขาดีแล้วก็สองขาเลวทั้งในระหว่างการประชุมและก็นอกเวลาประชุม และก็มักจะขัดการประชุมด้วยเสียงร้องนั้นแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกแกมักจะร้องว่า4ขาดีสองขาเลวตอนที่สโนโบอลกำลังกล่าวสุนทรพจน์ถึงช่วงสำคัญพอดี ในส่วนของสโนบอลมันได้ศึกษานิตยสารเกษตรกรและนักผสมพันธุ์สัตว์ฉบับเก่าๆที่พบในบ้านของนายโจนอย่างละเอียดแล้วก็มีแผนการที่จะทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับปรุงเรื่องต่างๆมากมายมันพูดอย่างทรงภูมิถึงการขุดร่องระบายน้ำจากทุ่งการเก็บหญ้าสดแล้วก็เรื่องตะกรันชนิดเป็นด่างมันได้วางแผนอันซับซ้อนให้สัตว์ ถ่ายมูลลงสู่ท้องทุ่งไร่นาโดยตรงแล้วก็เปลี่ยนจุดถ่ายมูลทุกวันเพื่อที่จะทุ่นแรงการขนมูลสัตว์ใส่กระบะเข็นไปใส่ดินเป็นปุ๋ยคือสโนบ l l นี่มีการจัดทำแผนเรียกว่า action plan แผนทำงานแผนปฏิบัติการอย่างดีส่วนเนปโปลีนไม่มีแผนงานของตัวเอง นโปเลียนได้แต่เอ่ยเรียบๆว่าแผนงานของสโนบอลจะไม่ได้ผลอะไรเลยแล้วก็ดูท่าทางว่านโปเลียนเนี่ยจะรอเวลาอะไรอยู่สักอย่างแต่ในบรรดาข้อขัดแย้งกันทั้งปวงของเจ้าหมูสองตัวนี้ไม่มีครั้งไหนที่จะดุเดือดรุนแรงมากเท่ากับครั้งที่มันขัดแย้งกันเรื่องโรงสีลมเรื่องของเรื่องก็คือ มีโคกเล็กๆแห่งหนึง่งซึ่งเป็นจุดสูงสุดของฟาร์มหลังจากสำรวจพื้นที่โดยรอบแล้วสโนบอร์ประกาศว่าที่ตรงนี้เหมาะที่จะใช้สร้างโรงสีลมเพื่อปั่นไดานาโมผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับฟาร์มทำให้คอกสัตว์สว่างแล้วก็อบอุ่นในฤดูหนาวเป็นพลังงานให้เลื่อยวงเดือนอเครื่องสับหญ้าแห้งเป็นอาหาร แล้วก็ยังมีเครื่องฝานหัวแมนเจลเวอร์โซแมนเจลเวอร์โซนี่ก็เป็นพืชประเภทหัวคล้ายกับหัวพักกาศแล้วก็เป็นพลังงานให้กับเครื่องจักรไฟฟ้าสำหรับรีดนมวัวพวกสัตว์ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าไร่เนี้ยเป็นฟาร์มแบบเก่ามีแต่เครื่องจักรกลโบราณก็ฟังด้วยความทึ่งสโนว์บอลก็พรันน า, นาให้เห็นภาพเครื่องจักรกลแสนวิเศษที่จะมาช่วยทางานแทน ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกินหญ้า ก, กันได้แบบสบายไร้กังวลภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์แผนการสร้างโรงสีลมของสโนบอลก็เสร็จเรียบร้อยรายละเอียดเครื่องจักรกล น, นั้นส่วนใหญ่ได้มาจากหนังสือที่เป็นของนายโจนมีหนังสื อ, อ, อร้อยสีพันสิ่งเกี่ยวกับบ้าน ใครก็เป็นช่างก่ออิกได้ไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับมือใหม่สโนบอลอาศัยโรงที่เคยใช้อบฟักไข่ไก่เป็นท้องทำงานเพราะว่าห้องนี้ปู ด, ด้วยพื้นไม้เรียบเหมาะสำหรับใช้เขียนแบบสโนบอลเก็บตัวอยู่ในนั้นครั้งละหลายชั่วโมงมันกางหนังสือแล้วก็ใช้ก้อนหินวางทับแล้วก็ใช้ข้อนิ้วข้อนิ้วเท้าเนี่ย คีบช็อกแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายไปมาอย่างรวดเร็วเพื่อตีเส้นลากสายต่างๆงพลางพึมนพรมด้วยความตื่นเต้นไม่ช้าแผนผังก็กลายเป็นภาพอันประกอบด้วยข้อเวียงและล้อฟันเฟืองสลับซับซ้อนกินเนื้อที่กว่าครึ่งห้องซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจแต่ก็เห็นว่าน่าทึ่งทุกตัว ต่างพากันมาดูภาพร่างของสโนบอลอย่างน้อยวันละครั้งมีแต่นโปเลียนเท่านั้นที่ไม่สนใจมันต่อต้านการสร้างโรงสีลมมาตั้งแต่ต้นมันไม่เห็นด้วยแต่วันหนึง่งนโปเลียนก็โผล่มาพิจารณาแผนผังนี้โดยไม่มีใครคาดคิดนโปเลียนพิจารณาทุกๆรายละเอียดอย่างใกล้ชิด แล้วก็ทำเสียงพ่นลมหายใจฟืดฟาดอย่างดูถูกดูแคลนมันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองแผนผังด้วยหางตาจูจูมันก็ยกขาขึ้นแล้วก็ชี่รถแผนผังก่อนจะเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำ สภาัตร์ ท, ทั้งฟาร์มมีความเห็นแตกแยกกันเรื่องการสร้างโรงสีลมสโนโบอไม่ปฏิเสธว่าการสร้างโรงสีลมเป็นงานที่ยากต้องขนหินมาก่อเป็นกำแพงจากนั้นก็ต้องทำใบพัดโรงสีแล้วยังต้องมีเครื่องปั่นไฟและก็สายไฟอีก แต่มันก็ยืนยันว่าทั้งหมดนี้จะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีสโนโบอลประกาศว่าหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยโรงสีจะช่วยประหยัดแรงงานได้มากสัตว์ทั้งหลายจะไม่ต้องทำงานเกินสัปดาห์ละสามวันเท่านั้นคือจะทำงานน้อยลง ทางฝ่ายนโปเลียนก็แย้งบอกว่าความจำเป็นยิ่งใหญ่ในตอนนี้คือการเพิ่มผลผลิตอาหารตั้งหากถ้ามัวเสียเวลาไปสร้างโรงสีลมก็จะต้องพากันอดตายกันไม่หมดสัตว์แบ่งกันออกเป็น2ฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งมีคำขวัญว่าเลือกสโนบอลทำงานสัปดาห์ละ3วันอีกฝ่ายหนึ่งมีคำขวัญว่าเลือกนโปเลียนอาหารเต็มราง ก็มีจุดเด่นไปคนละอย่างเบนจามินเป็นสัตว์ตัวเดียวที่ไม่เข้าข้างใครมันไม่เชื่อว่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นและก็ไม่เชื่อว่าโรงสีลมจะช่วยประหยัดแรงงานมันบอกว่าจะมีโรงสีหรือไม่ชีวิตก็คงจะเหมือนเดิมนั่นก็คือลำบากคออาือยังไงยังไงก็คงลำบากเหมือนเดิม นอกเนือจากนโปลเลียนกับสโนโบอรจะขัดแย้งกันด้วยเรื่องโรงสีแล้วพวกมันยังต้องคิดถึงเรื่องการป้องกันฟาร์มอีกด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าพวกมนุษย์จะพ่ายแพ้ในศึกอคอกบัวแต่มนุษย์ก็อาจจะย้อนกลับมาวันใดวันหนึ่ง มนุษย์มีเหตุผลที่จะทำเช่นนี้มากขึ้นเพราะว่าข่าวเรื่องความพ่ายแพ้ที่แพร่สะพัดไปทำให้สัตว์ในฟาร์มข้างเคียงเนี่ยพากันกระด้างกระเดื่องแล้วก็ขี้เกียจยิ่งกว่าเดิมสโนบอลและนโปเลียนมีความเห็นขัดแย้งกันเช่นเคยในเรื่องนี้ค่ะนโปเลียนเห็นว่าสัตว์ควรจะจัดหาอาวุธปืนแล้วก็ฝึกฝนใช้ให้เป็น สวนสโนบอลเห็นว่าควรจะส่งนกพิราบออกไปให้มากกว่านี้เพื่อที่จะไปปลุกระดมให้สัตว์ในไร่อื่นๆเนี่ยพากันแข็งขอและก็ลุกฮือขึ้นมาก่อกระบทฝ่ายหนึ่งแย้งว่าถ้าไม่สามารถปกป้องตนเองได้เราก็จะแพ่อีกฝ่ายหนึ่งแย้งว่าถ้าเกิดการลุกฮือขึ้นก่อกระบททั่วทุกหัวระแหงก็ไม่จาเป็นจะต้องปกป้องตัวเอง บรรดาสัตว์ฟังนโปเลียนพูดและก็ฟังสโนบอพูดแล้วก็พากันมึนไม่รู้ว่าฝ่ายใดพูดถูกพวกสัตว์มักรู้สึกว่าตนเห็นด้วยกับตัวที่กำลังพูดอยู่ในขณะนั้นเสมอในที่สุดก็ถึงวันที่การเขียนแผนสำหรับการสร้างโรงสีลมของสโนบอสำเร็จเรียบร้อย ในที่ประชุมใหญ่วันอาทิตย์ถัดมาจะต้องลงคะแนนเสียงกันว่าตกลงจะสร้างโรงสีหรือไม่สร้างเมื่อสัตว์มาชุมนุมพร้อมหน้ากันในโรงนาสโนบบอก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ชี้แจงเหตุผลได้สำเร็จว่าทำไมถึงควรสนับสนุนให้สร้างโรงสีลม พอสโนบอพูดจบนบโปเลียนก็ลุกขึ้นตอบโต้มันพูดไปเรียบว่าโรงสีลมนี่เป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระแล้วก็แนะนำไม่ให้ใครลงคะแนนสนับสนุนนโปเลียนเนี่ยพูดสั้นๆไม่ถึง30วินาทีพูดจบก็นั่งแล้วก็ดูเหมือนจะไม่แยแสว่าการพูดของมันจะก่อให้เกิดผลอย่างไรกับผู้ฟัง พอนะโปเลียนกล่าวจบสโนโบอลก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็หันไปตะคอกพวกแกะคือพวกแกะเนี่ยจะชอบส่งเสียงร้องขัดจังหวะเวลาที่สโนโบอลพูดพอหันไปตะวาดพวกแกะมันก็หันมากล่าวสุนทรพจน์อย่างเร่งรา้าให้สัตว์ช่วยกันสนับสนุนการสร้างโรงสีลมถึงตอนนั้นสัตว์แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆกันแล้วนะคะ แต่ในครู่ต่อมาด้วยวาทศิลป์ของสโนบอลค่ะก็สามารถที่จะจูงใจสัตว์ทั้งปวงได้สโนบอลใช้บูหารที่ดีวาดภาพ Animal f a r ร์มอย่างที่อาจจะเป็นว่าเมื่อสัตว์ทั้งปวงไม่ต้องแบกภาระการทำงานที่หนักหนาจินตนาการของสโนบอล เริงโรดนะคะเขาใช้คําว่าเริงโรดไปไกลกว่าเครื่องสับฟางสับหญ้าแห้งแล้วก็เครื่องฟานบอกพืชหัวมันก็พยายามที่จะโฆษณาว่าไฟฟ้าสามารถที่จะเดินเครื่องฝัดข้าวไถคลาดบดแล้วก็ปรับดินใช้เครื่องใช้เดินเครื่องเกี่ยวแล้วก็มัดฟางเป็นท่อน นอกจากให้แสงไฟฟ้าแกะคอกทุกคอกให้น้ำร้อนน้ำเย็นและก็เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเมื่อสโนบอลกล่าวจบก็ไม่มีใครสงสัยอีกต่อไปว่าสัตว์จะลงคะแนนเสียงให้ใครแต่ในตอนนั้นเองนโปเลียนก็ลุกขึ้นมันปลายตามองสโนบอลแบบแปลกๆแล้วก็ร้องเบาๆ ร้องเป็นเสียงสูงดังวิววิวอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยินนโปเลียนส่งเสียงแบบนั้นมาก่อนเลยพอนโปรเลียนส่งเสียงเช่นนั้นก็มีเสียงเหาออ่าคล้มชวนพรั่นพรึงเป็นที่สุดสุนัขตัวเบเร์9ตัวมีปลอกติดหมุดเหล็กรอบคอกระโจนเข้ามาในโรงนา สุนัขทั้งเก้าพุ่งเข้าใส่สโนโบอลซึ่งกระโดดหนีพ้นไปได้บุบวิดครูเดียวสโนโบอลก็เพ่นแผลวออกประตูไปโดยมีสุนัขวิ่งไล่ตามสัตว์ทั้งหลายแปลกใจแล้วก็ตกใจจนพูดไม่ออกได้แต่มาอ้อ ก, กันตรงปากประตูมองดูการไล่ล่า เจ้าสโนบอลก็วิ่งตัดทุ่งหญ้าผืนยาวไปที่ถนนมันวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่หมูจะสามารถวิ่งได้หมูวิ่งหนีหมาก็วิ่งตามแต่ทันใดนั้นมันก็ลื่นลม้มและดูเหมือนสุนัขจะไล่ทันแต่แล้วสโนบอลก็กลับลุกขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วกว่าเดิม สุนัขไล่จี้ใกล้เข้าไปอีกตัวหนึ่งแทบจะงับหางเจ้าสโนโบอลได้อยู่รอมารอแต่สโนโบอลก็สะบัดหางแล้วก็พ้นไปได้อย่างเฉียดเฉิวจากนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มแรงเร่งพุ่งตัวออกไปจนมุดรัวที่รั้วพุ่มไม้แล้วก็หนีไปได้อย่างบุดบิดหายลับไป เกิดอะไรขึ้น <that> ติดตามได้ตอนหน้านะคะ Animal Farm ตอนที่4งานเขียนของ George Orwell ค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS podcasts. This is Thai PBS podcasts.